เดินจะมีแต่ท่านทูกฟังท่านหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอุญญาพิสันธาสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยการหลั่งไหลอ ย, อย่างต่อเนื่องของบุญและผลแห่งบุญนั้นเป็นที่มาของพระพุทธภาษิตที่เรานำไปกล่าวอ้างกันในโอกาสต่างๆเป็นนั้นมาก ทว่าดูก่อนวิสูตั้งหลายเธอทั้งหลายจะได้กลัวบุญเลยเพราะเขาเอาคำว่าบุญบทนี้เป็นชื่อของความสุขนั่นเองเป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึด้นด้วยอัจฉริยะใสของพระองค์ที่มีพระประสงค์จะแสดงเป็นการกระตุ้นเตือนจิตใจของบุคคลให้ถือเอาอย่างโดยเล่าประสบการณ์ตรงของพระองค์ าการที่ทรงแสดงเรื่องบุตรนั้นเป็นเรื่องที่ที่เราตถาคตสัมผัสมาแล้วด้วยตัวเองคือไม่ใช่แสดงตำหลักของทฤษฎีวิชาการอะไรแล้วก็เล่าถึงอดีตสมัยของพระองค์ว่าในอดีตการนานมาแล้วตถาคตได้เคยเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัตรุ ได้บำเพ็ญเมตตาสมาธิต่อเนื่องกันอยู่เจ็ดปีหลังจากไ้ตายไปหมุนวนอยู่ในพรหมโลกในสวรรค์ใ น, ในความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิราชาหรือไม่เคยไปสู่ทุกติเลยตลอดตลอดสังวัตกับ ไม่ใช่กลับนะฮะสังวัตกลับมากกว่ากลับหลายเท่าแม้ในคราวที่โลกกำลังพินาศด้วยไฟเราก็บังเกิดเป็นอภัสรพรมเกิดเป็นพรมอยู่ในอภัสรพรมและจากนั้นก็ผลทรงพันนาเป็นลูกคาถาเรียงโดยใจความที่ว่ามาไว้ในต้งตน้น ประการแรกที่ควรอำความเข้าใจคือคำ ว, ว่าบุญคำ ว, ว่าบุญในความรู้สึกนึกคิดของคนโดยทั่วไปเนี่ยคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่โดนบันดาลในรูปของศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีงามแก่คนใดคนหนึ่งก็เรียกว่าคนนั้นมีบุญแต่ลืมไปว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้ว คำมบุญนั้นจะกล่าวโดยเจตนาโดยอาการโดยผลที่ปรากฏในช่วงต่างๆแลยแล้วจะเกิดขึ้นจากการกระทำของคนดังนั้นคำมบุญโดยเจตนาคือเจตนาที่เกิดขึ้นโดยกุศลมีตัวปัญญาที่พิจารณาเห็นคุณของสิ่งเหล่านั้นเป็นหลัก เห็นโทษของการมีสิ่งเหล่านั้นเห็นคุณเห็นโทษของการไม่มีสิ่งเดาดนั้นเห็นคุณของการมีสิ่งเดาดนั้นแล้วก็จงใจพูดลงไปทำลงไปหรือแม้แต่คิดก็ออกมาเป็นรูปบุญณอย่างที่ตอนงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เทศมีการยกเอา ควมสั่งสอนของหลวงปู่มาเผยแพร่พแสดงว่าพุทธาสนาก็อยู่ที่กายประจาาใจพระเจ้าก็ไม่ได้แสดงที่ไหนก็อยู่ที่กายประจาาใจทั้งนั้นเพราะงนั้นคำว่าบุญจึงเกิดขึ้นจากใจก่อนเป็นเรื่องของกุศลละธรรมที่ประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรืออะโมอโลภาะอะโตสาอโมค่ะ เรียกเกิดเกิดด้วยกุศลเจตนาเมื่อกล่าวโดยปฏิกิริยาที่มีภายในจิตก็คือการทำหน้าที่ขจัดสิ่งที่ทรงกันข้ามกับคุณธรรมเหล่านั้นออกไปจากจิตเป็นความไม่โลภก็ขจัดความโลภออกไปความไม่โกรธก็ขจัดความโกรธออกไปความไม่หลงก็ขจัดความหลงออกไป ก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างในเรื่องอินรีห้าเราจะรูอินซีห้าที่จริงก็คือบุญเมื่อศรัทธามันเกิดขึ้นก็ขจัดความไม่เชื่อพอ ม, มีเพิ่มขึ้นก็ขจัดความโลภมีเพิ่มขึ้นกว่านั้นก็ขจัดความโรกรธโดยลงวศรัทธาตัวเดียวขจัดได้ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งโลภิริยะความเพียรเกิดขึ้น ก็ขจัดความเกลียดคร้านเกลียดคร้านแบบหยาบหยาห่างหนาวร้อนเชาวสายบ่ายเยน็นหิวกระหายแล้วไม่ทำงานแล้วจะถึงอ้างเงื่อนไขยอย่างอื่นเราวิเคราะห์ได้ว่าความคิดอย่างนี้การพูดอย่างนี้ที่จริงมันมันเพราะเราเกลียดคร้านเราก็จัดความเกลียดคร้านออกไปหรือสติขจัดสติสัมโมสาคือความลงลืมความเลอะเลือนของสติ สมาธิก็ขจัดความฟุ้งซ่านของจิตคือหมายความว่าพวกนี้ไม่มีลักษณะร่วมไม่อยู่ร่วมกันเมื่อก็เกิดขึ้นแล้วก็จะทําหน้าที่ขจัดสิ่งที่ทรงกันข้ามออกไปด้วยเราจึงพบว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงก็สแสดงโดยประยาใดประย่าหนึ่งก็ได้บางทีก็สแสดงทั้งหมดก็ได้เราดูแล้วว่ายเยอะเหลเือเกินแต่พอจับจุดของการปฏิบัติแล้วก็ไม่ถึงกับเป็นอย่างนั้นหรอก เพียงแต่ว่าธรรมะที่เพิ่มขึ้นนั้นเขาก็ดึงพวกเขาขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่พระจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามบ อ, อกไปปัญญาเกิดขึ้นก็จัดความหลงในบางทีเราไปได้ยินคำนะมันซ้ำกันแต่เราก็มองไม่ออกเพราะอย่างเดียวกันเ้วยอคนละอยา่าง เมือนก่อนไปเผาศพที่ฝั่งพนก็ได้รับหนังสือแจกก็นั่งอ่านอยู่ในกำมังเผาศพก็เจอคำที่ที่ฟังแล้วก็คมเลยนะฮะพูดมาดีอยู่ดีไปดีแล่ทางก็แสดงเหตุว่ามาดีด้วยบุญอยู่ดีด้วยคุณไปดีด้วยทุนแล้วเจ้าอาวาสเขาก็นั่งอยู่ไกลๆ ก, ก็ชมไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นของเขาแล้วนะ ไปชมว่าเอาใครเข้าใจคิดแล้วเสร็จแล้วก็เอามาสอบถามนักศึกษาที่มาวะไยนส่งมาว่าแกฟังแล้วให้ให้ช่วยวิเคราะห์ให้ช่วยคิดดูว่าพวกเนี้ยมันเป็นอย่างเดียวกันด้วยคนละอย่างกันก็โยงคิดไปด้วยแล้วกในไั้นมาดีด้วยบุญอยู่ดีด้วยคุณ ไปดีด้วยทุนทุนทอรอทหารนะเรามองคล้ายๆคนละอยา่างบุญเยอะเราต้องทำเยอะเลยจริงๆไม่เรื่องเดียวเรื่องบุญคาว่าคุณก็คือทำสิ่งที่เป็นบุญส่วนเหตุตที่มาด้วยบุญก็คือบุญที่เป็นส่วนผลนะไปไปด้วยทุนก็คือบุญที่เป็นส่วนเหตุอีกที่จะนำเราไปเกิดดีคำมันเปลี่ยนไปเฉย คำเดียวเปเชยที่จริงเรื่องบุญคําเดียวแต่นั้นเองก็เรียกว่าต่างกันโดยพยัญชนะคือภาษาที่ใช้เรียกมันต่างกันแต่อัตตะคือเนื้อหาแล้วคืออย่างเดียวกันบางทีเราพูดตั้งเยอะน ะ, ะแล้วคําเดียวแต่เองคือหมายความอย่างเดียวกันแตนั้นด้านนั้ น, น, นธรรมะจริงเรียกว่าเป็นปริยายคือนิยต่างๆบางทีพระเจ้าไม่เรียกว่าบุญ เรียกุศลและเจตนาเมื่อมันเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ขจัดสิ่งที่เป็นบาปหรือเป็นอกุศลออกไปนีอาการที่ปรากฏแก่จิตเราไม่รู้จิตมันมีความสงบเย็นเพราะว่ากิเลสมันถูกขจัดทอกไปมีปีติมีประโมดมีความวิตอรือร้นมีความเบิกบานบันเทิงใจ ท่านผู้อำนวยการาสอสมทนะฮะคุณแสงชัยสุนทรวัดเขามาบวชลูกที่วัดเนี่ยก็มีความรู้สึกเขาเดินท้าไมา่ถึงดินข้าวปลาไม่กินมีลูกชายคนเดียวบวชยกุณตื่นเต้นมากบวชที่วัดเนี่ยนะฮะตื่นเต้นมากแล้วไปได้ลากเขาเขามีความรู้สึกเขาอย่างนั้นคนอื่นไม่รู้สึกก็คือเรื่องคนอื่นแต่เขาเองเขามีความรู้สึกเขาอย่างนั้นสแสดงว่าบุญเนี่ยมันก็เกิดขึ้นภายในใจมันเกิดเป็นปีติปราะมุขรู้สึกเอิ้ออิ่ม มันอิ่มธรรมะเราจึงเราจึงพบว่าคนที่จเจริญกรรมาฐานอยู่ด้วยธรรมะมีมีปีติเป็นอาหารได้ตั้งเจ็ดปดวันสิห้าวันก็ได้นะฮะแต่ต้องเก่งจริงๆส่วนใหญ่จะอยู่เจดวันนั่นคือเป็นอาการของบุญที่ทําปฏิกิริยาตัวจิตจิ ต, จตมันเปลี่ยนมันมีปีติมันมีประมุขมันมีความสงบ ม, มีความเจริญแล้วพอมากมันก็สะท้อนคล้ายๆกับความร้อนที่อยู่ข้างในพอมากมันก็สะท้อนออกมาข้างนอก และอาจจะสะท้อนแผ่รังสีความร้อนออกไปเข้าใกล้ร้อนแล้วความเย็นก็เหมือนกันแผ่รังสีออกไปก็รังสีของบุญที่มันเกิดขึ้นภายในใจมันก็ออกมาเป็นอาการทางกายทางวาจาถ้าเป็นอาการต่อเนื่องเห็นยังไงก็เจออย่างนั้นทุกสีเรียกว่าสันตกายโยสันตวจิจโกกายส ง, งบวิจารส ง, งบ สงบบาปนะฮะไม่สงบบาปไม่ใช่นั่งนิ่งๆไม่ได้พูดอะไรยากอันคือสงบบาปพูดก็ไม่ได้เป็นวจีทุจริตธทธรรมก็ไม่เป็นกายทุจริตก็นั้นเป็นอาการของบุญทีนี้ผลบุญคือปีติปราโมทย์ที่เราสัมผัสภายในใจเราเองนะฮะผลนี่จริงๆเราสัมผัสภายในใจเราเองสัมผัสในวิถีชีวิตของเราเอง แต่ในขณะเดียวกันเราเป็นสมาชิกของสังคมเราก็ได้จากสังคมคือการยอมรับนับถือศรัทธาของสังคมการยกย่องสนรเสรินของบุคคลภายในสังคมแต่ตรงนี้อย่าไปเอานิญ่มากเพราะถ้าเราจะตามกระแสสังคมแล้วแม้แต่คำว่าบุญเราก็หาข้าอยุติไม่ได้วาบุญจริงๆคืออะไรแต่ถ้าเราจับประเด็นของพระพุทธเจ้าที่โบราณนะใช้ว่าทนนองทองธรรม มันก็กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่จะบอกอันนี้คือบุญอันนี้คือบาปเพราะคนผ่านก็อ้างได้เขอ้างเพื่อทำบาปเขาได้อย่างที่เคยเล่าเรื่องอัมมาศของพระเจ้าเปรตที่กุศลที่ทําบาปเยอะเระาภาษาดีบุตรทำไปชี้แจงท่านก็อธิบายได้เหตุผลน้องทําบาปต้องเลี้ยงดูครอบครัวต้องเลี้ยงบุคาลานบริวารต้องเลี้ยงดูบุตรอัมมาศต้องส่งสวายพระราชาอะไรต่ออะไ ร, รต้องทําสวยมันไม่มีเหตุผล แตวเขาก็อ้างเป็นเหตุเป็นผลได้พระเจ้า ก, ก็ส่งสอนว่าสังคมนั้นให้ฝั่งวินยูชนแต่ในขณะเดียวกันภาลาชนก็ต้องคิดว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกต้องคิดได้ทั้งสองอย่างนะครับหมายความว่าถ้าวินยูชนท่านตำหนิ ก, ก็ต้องฝั่งท่านท่านสรรเสริญก็ฝั่งท่าน แต่ก็ไม่ได้เหิมเกรมนะฮะไม่ได้หลงไหลได้ปลื้ ม, มกับความยกย่องสันเซินได้ท่านตนําหนิมันก็มีการตรวจสอบพินิษพิจารณาเราได้ประโยชน์ทั้งตําหนิแล้วก็ยกย่องสันเซินแต่ถ้ามาคนผ่านก็ไปจับอิพัสิทธิ์หนึ่งมันก็เหมือนอะไรแหละฮะมันเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเราจะเราจะมองดูคล้ายๆล้ายมนกัดแจ้งกัน พายเติดพ่อพายตลาดจะวายสายบัวจะน้ำยาชาได้พระสองเล่มงามดุลได้สามพระมักพลิ้แผลงเอ๊ะมันยังไงนี่ทำไมมันสอนอยังไงจะหนึ่งสอนให้ชา้าจะหนึ่งสอนให้เร็วที่จริงบางคนละเรื่องกันหมายความว่า ง, งานอะไรก็ตามที่มันถูกต้องสมบูรณ์แล้วมีความพร้อมทุกอย่างแล้วต้องรีบทำงานบางอย่างนั้น จะต้องไข้ควรตรวจสอบพินิ์พิจารณาให้ดีมองหน้ามองหลังให้ดีคือหมายความว่ามันยังไม่พร้อมอ่ะยังไม่พร้อมที่จะทํามันต้องไข้ควรพินิษพิจารณาให้ดีทําไปแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงผลกระทบมันจะเป็นยังไงได้จะเสียยังไงมันก็ต้องมองกันเยอะแต่พอพร้อมแล้วมันก็ทำได้เลยเพราะงั้นถ้าไปใช้ศัพท์กรณีใช้ศัพท์กรณีไปเนี่ยมันก็มีปัญหา มันคล้ายๆกับอะไรที่ที่วันก่อนบอนักวิชาการเขาโจมตีกติไทยนะฮะน้ําขึ้นในรีบตักนักปราชสอนรีบตื่นนอนดีกว่าสายพายเติดเบื่ออะไรแต่ไหนเราบอกมันสอนผิดมันล่าสมัยคําสอนอย่างนี้ใช้ไม่ได้ปัจจุบันน้ําน้ําที่ขึ้นนั้นมันมันมันมีสิ่งสกปรกเยอะสิ่งสกปรกเกิดมาเยอะมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะะเราจะเห็นว่าเป็นวิธีการที่ในสมัยโบราณถึงบ้านอยู่ริมท่าน้ําอ่ะ เราเรียบตักซะ ก, ก่อนมันก็ตัดไม่เหนื่อยไม่ลำบากก็ตักได้เร็วแต่ถ้าไม่ตักบางทีน้ำมันลดอะน้ำมันลดเลยตะลิ่งมันก็ตัดไม่ได้มันเป็นวิถีชีวิตที่เขาอาศัยกากวิถีชีวิตแต่ไปสอนเรื่องอื่นให้คนรู้จักฉกสวยโอกาสที่มาถึงข้าวก็รีบทำงานให้เหมาะสมแก่การแก่โอกาสเรื่องบุญเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้น หมายความว่าโดยตรงแล้วเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของคนแต่ละคนข้างนอกเราจะหาเกณฑ์ไม่เคยได้นะข้างนอกนี้เราจะหาเกณฑ์ไม่เคยได้เลยว่าอันนี้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปอะไรนอกจากจะฟังจากวินิจฉุชนผลมาจากจากโครงสร้างเหล่านี้โดยเนึ่งเพราะว่าการการกระทําทุกอย่างที่ประกอบด้วยกุศลและเจตนาคือบุญพระเจ้าจึงรับสั่งว่าอย่ากลัวบุญเลย บุญเนี่ยมันมีแต่คุณเนี่ยมันไม่มันไม่มมโทษอย่ากลัวบุญเลยเพราะบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขลองสังเกตพระเจ้าพูดบุญส่วนผลเป็นความสุขที่เราสัมผัสตัวนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าตัวนี้พูดอะไรอย่าันที้เคยยกตัวอย่างกาลามาสูตรกาลามาสูตรที่พวกกาลามะบอกว่าเขาไม่รู้จะเชื่อใครดีอ่ะไม่เป็นการพูดปัญญาระดับสุตตามยัญปัญญาคือการฟังมาทางหู การฟังด้วยหูดูด้วยตาไม่มีความขัดแย้งกันในกลุ่มผู้ที่มาเสนอแนะทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างนั้นถูกต้องไม่ควรเถือนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นว่า10บอยา่างแต่เวลาทรงสอนในประเด็นต่อมานั้นทรงเสนอปัญญาระดับจินตามญญาปัญญาปัญญาคนระดับกันปัญญาคนระดับกันปัญญาจินตามัญญาปัญญาก็คือสิ่งที่ข้อมูลต่งตางๆที่เธอฟังมาแล้วอามาคิดจะดี เอามาตรกลองมาคิดซะ ด, ดีแล้วจึงปลงใจเชื่อที่หลักแล้วก็ส่งเสนอแนวความคิดที่อย่างเคยบรรยายให้ฟังนี่คือเราจะต้องต้องมองว่าพูดตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเหตุหมายถึงผลหมายถึงอาการหมายถึงผลที่ต่อเนื่องหมายถึงผลที่ต่ อ, ตอเนื่องเช่นเช่นเนี้ยเช่นหอทานก็ว่าแต่แล้วขอเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพาน ไอ้มาผลนิพพานมันมันมันมันอนาคตผลอนาคตได้ไม่ใช่ว่าทําบุญตรงนั้นจะได้นะผลนิพพานทันทีนิพพานนั้นเป็นผลในอนาคตเพราะแสดงว่าจะต้องมีการสะสมบุญต่างๆไว้เป็นมากและจากหลักตรงนี้เพราะงั้นการทําดีทั้งหลายเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบุญทั้งหมดเพราะอะไรเพราะมันขจัดกิเลสขจัดกิเลสได้มากหรือได้น้อยไม่รู้ก็ถือว่าเป็นบุญ อาการของบุญจึงมองจากการลดของกิเลสลดที่ไหนลดที่ใจเราเห็นไหมบุญมากบุญน้อยจึงไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ตัวนอกไม่อยู่ที่ใครอนคนอื่นเขาบอกติดอยู่ที่สัมผัสตรงของเราตรามธรรมคุณบทว่าสันทิฏฐิโกที่เราเห็นได้ในตัวเองนะปัจะตังวิริโตโบมโยหิปิญญูชนรู้ได้เฉพาะตนแต่ทีนนี้บุญบางอย่างเน่ยมันเกี่ยวกับนอกมันเกี่ยวกับนอกด้วยนะเป็นองค์ประกอบเขาเรียกเป็นปัจจัยสนับสนุน เช่นเรายเคยพูดเรื่องการให้ทานพูดเรื่องการฆ่าสัตว์เป็นต้นนะนะเป็นต้นเช่นการให้ทานเราจะน้นเจตนาเราเนี่ยจะเป็นหลักก่อนให้ขณะให้หลังจะให้รักษาเจตนาดีแต่ทานเนี่ยมันไปเกี่ยวคนอื่นมันไปเกี่ยวกับสิ่งของมันเกี่ยวคนรับมันมันยังมีตัวนอกอยู่ทั้งสองตัวเพราะฉะนั้นปัญหาว่าตัวนอกสองตัวนี่คืออะไรสิ่งที่เรานํามาให้จะต้องมีพื้นฐานบุญอยู่ด้วย คือเป็นผลของบุญไม่ใช่ไปรักไปลักไปชอบไปลวงไปพร้นเข้ามาแล้วมาให้อย่างวัดใหม่หญ่แฟงนั้นได้มาไม่สุดจริตสมเด็จพุท ธ, ธาจารย์โตท่านบอกว่าได้บุญสลึงเฟืองเห็นหั้ยฮะสิ่งที่เอามาให้มันก็ต้องมีความเป็นมาที่สุดจริตคนให้คนที่เราให้ก็ต้องมีความเป็นมาที่สุดจริต มันกลายเป็นตัวเสริมวใจใจเราสุจริตของได้มาสุจริตคนรับสุจริตกลายเป็นสุดจริตสามบวกกันกลายเป็นพลังบุญเห็นไหมปัจจัยข้างนอกเสริมทีนี้ทำยังไงจะเสริมได้ดีเราก็เลือกเอาคนเลือกใครเลือกเราเลือกแต่ละใจเราเลือกคนนี้ควรให้คนนี้ไม่ควรให้สิ่งนี้ไอ้สิ่งนี้ไม่เด็ด อย่าเอาไปถวายพระไม่ดีของทําบาปมาเราไม่เอาถวายเราไม่เอาไปทําบุญเห็นไหมเอาไปจริงอยู่ที่เราอีกเพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นปัจจัยประกอบแต่การมีิตัยตัดสินว่าควรจะให้อะไรให้แก่ใครเป็นภูมิปัญญาของเราเป็นเรื่องเฉพาะตัวหมดตรงหลงเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของเราหมดเพราะนั้นในเรื่องของของอะไรของ ของการฆ่าสัตว์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอาจารบอกว่าหนึ่งเจตนาสองวัตถุสความพยายามเจตนาก็คือเจตนาภายในใจเราประกอบด้วยโลภประโกบด้วยหลงมากหรือน้อยวัตถุคือสิ่งที่เราฆ่าสัตว์ที่เราฆ่ามีคุณมากหรือมีคุณน้อยวิธีการทําของเรานะการฆ่าฆ่าอย่างไงฆ่าตารุณโหดร้ายไดแต่ใดก็ว่าไปบาปจะมากหรือจะน้อยมันก็อยู่ที่ทองค์ประกอบตรงนั้น เพรว่ที่มัไม่อยู่ที่ใจเราอีกใจเราหยุดได้ไม้มไม่ฆ่าคนที่มีคุณไม่ฆ่าคนที่มีคุณตายคนมีคุณมาเรื่อยแล้วก็ถือว่าคนนั้นมนุษย์ที่ฆ่าไม่ได้บาปท่นั้นเดี๋ยวฆ่าสัตว์ที่มีคุณมันก็ตายกันมาเรื่อยๆ ม, มีการคิดเรื่อยมันก็ลดบาปไปเรื่อยๆอย่างน้อยบาปหยาบๆเราไม่ทำบาประดับอนันตริรีกรรมเราไม่ทำบาประดับฆ่าสัตว์มีคุณเราไม่ฆ่า ก็ลดบาปไปได้ๆวิธีการความพยายามนะ ค, ความพยายามบางทีมันจําเป็นอย่างอย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะอยู่หัวท่านทรงทราบตรงตรงนี้เป็นอย่างดีจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันทํายากนะทำตัวยากพระเจ้าแผ่นดินไม่มีทางเดยมีข้อเสนอไปจากสาลขอพระบรมราชโองการอนะุมนะัติประหารชีวิตคนต้องลงพระบระมมิตรทายะสมัยโบราณเนี่ยต้องลงเองนะ มันก็ต้องลงท่าก็หาวิธีให้เขาบอกว่าเสนอเวลานั้นเวลานี้สถานที่นั้นทีนี้ท่านบอกวินาทีไปด้วยท่านบอกวินาทีไปด้วยว่าเท่านั้นนาฬิกาเท่านั้นนาทีเท่านั้นวินาทีวินาทีมันไม่ลงหรอกและเสร็จแล้วท่านก็สบายใจว่าพวกนี้ไม่ทําตามท่านที่สั่งท่านสั่ง15วินาทีมันเพิ่งฆ่าตั้งเลยไปตั้ง30สบวินาทีไม่ได้ซาดก็ไม่ได้ฆ่าตามสั่งนี่ท่านก็ทําให้สบายประไทย เพราะเงื่อนไขเนี่ยเวลามันไปจำกับไปด้วยต้องฆ่าตรงนั้นนะเจนเจ้าหน้าที่มันเตรียมไม่ทันละแล้วก็นากาก็ไม่ตรงกันด้วยมันก็ทําให้โปร่งทําให้เบาเห็นไหมจะหาวิธีจําเป็นนะจําเป็นต้องทำตรงนี้จะทํำยังไงแต่ก็ต้องหาวิธีกันแทนเพื่อเกิดความสบายตกลงว่ากลับมาอยู่ที่เราอีกเห็นไหมปัญหาใหญ่จึงมาอยู่ที่ใจพระเจ้าจึงรับสั่งว่าอย่ากลัวปุ่น พระบุญนั้นเป็นความสุขเป็นผลที่เราสัมผัสทางใจแต่ความสุขที่จริงมันเกิดจากการลดของกิเลสการเพิ่มขึ้นของธรรมะมันก็ตามโครงสร้างของอริยศสตรแนะเราเห็นว่ากิเลสเพิ่มทุกกิเลสก็คือสมุทยัยทุกก็คือทุกทุกมันมาจากสมุทยัยนิโรธซึ่งเป็นผลมันมาจากมรรคก็คือกุศลธรรมก็อยู่ในโครงสร้างของของอริยศาสตร์ทั้ง4ี่ประการ เวลาทรงจำแนกแส ด, แดงในพระบาลีจริงๆพูดคำสามคำนะฮะทานศีลภาวนาดันพระเจ้าพูดธผู้แค่ทานศีลภาวนาเพราะอะไเพราะมันคลุมหมดแล้วนะฮะมันคุมหมดแล้วคำว่าภาวนาเนี่ยมันคลุมหมดหมายความว่าทําความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นที่มีแล้วให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นคนทุกคนมีความดีอยู่แล้วขันติเราก็มีอยู่แล้วบางทีโดนแรงๆขันแตกตอ่นั้นเด็ จึงเราก็มีคันติเรามีความเมตตาเรามีความกรุณาเรามีคิมีอัตตาเรามีอยู่แล้วทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าเพิ่มให้มันมากจนกลายเป็นภูมิด้านฐานกลายเป็นภูมิด้านฐานหมายความว่าแม้จะไปกระทบก็ไปไม่หวั่นไหวแนววิธีการของพุทธนั้นให้หลองสังเกตว่าท่านแก้ที่ตัวเองพุ่นี้เขาในบนไปบรรยายเรื่อง กดแทงกรรมในยุคโลกาภิวัตนะ์ที่สถาบันราชพัี่สุราชที่จริงไม่ว่ายุคไหนแล้วมันก็คือการนั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับโลกาภิวัตไม่โลกาภิวัตกรรมก็คือเจตนาที่คนกระทํานั่นเองแต่มันคิดได้วือหวาไปเฉยๆนึกว่าโลกาภิวัตแล้วกรรมมันจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอะไรกรรมก็คือกุศลกนกุศลก็ท่านนั่นเองก็มีอยู่สองอย่างแต่นั้นเอง แต่ว่าในแวดวงที่เราศึกษาเราเข้าใจเราคิดว่าถ้าโลกาภิวัตแล้วกรรมต้องต้องโลกาภิวัตด้วยมันไม่กรรมก็คือกรรมแต่นั้นเองเพียงแต่ว่าทํำยังไงว่าปัญหาพอลูชันต่างๆเนี่ยพลูชันทางอารมณ์พลูชันทางกิตพลูพันธ์ทางสภาพแวดล้อมมันมากเนี่ยเราไปแก้ตรงนั้นไม่ได้เราเป็นปัเิเจรชนตัวเล็กๆเราไปแก้อะไรไม่ได้ทํำยังไงเราเสริมภูมิของเราให้มันต้านทานโรคได้ นั่นคือเรื่องใหญ่ว่าไม่หวนไหวไปตามกระแสที่กระตุ้นเร่งร้าวให้ก่อกรรมให้ก่อกรรมที่เป็นบาปเราคงอยู่ในกระแสรตรงนี้แล้วเราฟังสื่ออย่างเงี้ยสื่อเลแทะอย่างเงี้อยอย่างทุกวันเนี่เราจะเห็นว่าสื่อไม่ค่อยมีสาระอะไรเลยเป็นการแข่งกันเสนอและภูมิปัญญาของคนที่เสนอมันก็ไม่ก็ไม่น่าฟังอะไรเทไลัยแต่เราต้องฟังเราต้องอยู่เราต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ วิธีการก็คือว่าเสริมภูมิด้านฐานตัวเองเห็นไหมว่าภูมิศีนเขาเรียกวภูมิศีลภูมิธรมรมเน่ยมันมันมาเกิดแรงประทัดจากข้างนอกมันก็ไม่หว่นไหวพระเจ้าทรงยกตัวอย่างเมตตาเราจะเห็นว่าก็เจอบ่อยเมื่อสองสามเสาที่แล้วก็เจอเมตานะนี่ก็เจอเมตายังทำไมพูดเมตตาบ่อย เราสังเกตนะครับว่าโลกเนี่ยมันมีความรุนแรงโลกมีความรุนแรงยุยแจ้งประหัรประหารเขียนฆ่าทำลายล้างกันองค์การสาประชาชาติทำหน้าที่ตำรวจโลกแทนสหรัฐอเมริกายังแก้ปัญหาไม่ได้ในบบสเนียนะฮะเมื่อเช้านี้อ่านข่าวว่ามันฆ่าพวกอิสลามหมกดินไว้ตั้ง8ปดพันศพเพิ่งไปคุดเจอครับ <laughs> มันรุนแรงนขนาดนี้ ในซาอีวันก่อนในฆ่าอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยกวาดใช้รถเกรดกวาดใส่หลุมกันเลยเห็นไหมความรุนแรงต่างๆแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยกันนะนะก็ฆ่ากันเองก็ชาติเออชนชนเผ่าเดียวกันก็ฆ่ากันเอ ง, เออเรเองหรือว่าอยู่ในประเทศเดียวกันก็ฆ่ากันเองเป็นการมองเป็นเราเป็นเขาที่แรงไม่ตานั้นไม่มีเราไม่มีเขามันมีเรากับพวกเรา เห็นไหมเป็นการสร้างความรู้สึกระดับศีลธรรมกว่านเมตตานั้นมองเป็นเรานะฮะไม่ไม่ใช่ถึงเป็นนัตตาอะไรหรอกยังเป็นเราเรียบร้อยยังเป็นเราเป็นเขาเรียบร้อยแต่ว่ามีเรากับพวกเราที่เรากับพวกเราทั้งโลกนี้มีเรากับพวกเราแต่นั้นก็กลายเป็นเมื่อพวกเดียวกันก็ไม่เบียดเบียนกินค่ากันไม่ประทุษร้ายกันเป็นการปฏิบัติในระดับที่ ไม่เป็นพิษเป็นภัยของกันอะไรกันเขาเรียกเคารพสิทธิหน้าที่ของกันอะไกันเมตตาจึงวางกระจายไว้ในที่ต่างๆเยอะแต่ที่สรงแสดงตรงนี้สรงแสดงเมตตาเจโต ว, วิมุตนะฮะเมตตาเจโต ว, วิมุตก็คือการบำเพ็ญกรรมาฐานระดับสมถกรรมาฐานในพรมมฐานสี่นะฮะในพรมิฐานสี่จเจริญเมตตาภาวนามีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ มองสัตว์เป็นสากลนะฮะไม่ไม่จะมองง่ายเลมองสัตว์เป็นสากลเมื่อวานเนี่ยไปคุยกับพระสังฆาธิการเขามาจากต่างจังหวัดหลายรูปไปปลูกราวไอ้ท่านลุกขึ้นมาหน่อยคือเป็นห่วงศาสนาตอนเนี้เป็นห่วงศาสนามากมันคนเนี่ยมันมั น, ม น, มนพระเราเนี่ยมั น, มนอาจจะมีลักษณะเหมือนกับผ้าที่กัดตัวเองมันจะหมดไปโดยสภาพ คือคนรุ่นใหม่จะไม่บวชบวชแล้วจะไม่ค้างจะไม่เหลืออยู่แล้วจานวนพระจะลดลงลดลงมีวัดหลวงเกลือนเมืองไปหมดไปไหวัดหลวงคือหลวงตาอยู่นะวัดหลวงคือหลวงตาอยู่พระวัดท่านก็ไม่มีประสิทธิภาพอะไรส่วนส่วนมนุ์ไปยังไม่ก็ได้เลยแต่ไม่รู้จะทํำยังไงก็ดีกว่าวัดไม่มีพระยอยู่นี่คือปัญหาปัญหาใหญ่แล้วท่านก็เล่าถึงปัญหาต่างๆให้ฟั ง, ง, งเราก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้น ทำไมไม่มีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่แรงและมีความขัดแย้งกันแรงถือพักถือพวกอะไรต่ไรเป็นนิโกงเป็นนิกายเป็นศาสนาบอกโอ้อยังงี้ก็ตา ย, ยมันต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ที่ใจกันก่อนแล้วถ้าเป็งั้นมันมั น, ม, นมันจะทำงานไม่ได้ต้องปรับใจให้ยอมรับนับถือกันไม่ทะเลาะ ก, กันเองประชาติบ้านเมืองเราที่ ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าสองครั้งคือทะเลาะ ก, กันเองทุกทีและที่เรามีปัญหาอยู่เวลานี้ฮะก็ทะเลาะ ก, กันเองท่านลองสังเกตนะตำรวจเข้าไปจับไม้ทําลายป่าห้าพันสามพ้ารอต้นอีกฝ่ายหนึ่งด่าว่าเป็นเกมการเมืองดูสิคนต่ดไม้ทําลายป่าถันห้าร้อยต้นขนาดสามคนโอบสี่คนโอบก็ยังมีฝนะ่ายหนึ่งไปด่าว่าเป็นเกมการเมือง นี่แสดงถึงความขัดแย้งที่แรงไม่มีทํานองครองธรรมกันเลยไม่มีกฎเกณฑ์ในการหาข้อยุติกันเลยเพรา ะ, ะ น, นความรุนแรงตรงนี้ถ้าถามใจมันข่ะใจมันเป็นเราเป็นเขาแรงเป็นเราเป็นเขาแรงผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยตายจะได้ค้างหนึ่งจึงจะดีเห็นไหฮะนั่นคือลักษณะความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาการคำพูดที่ว่าใครขวางข่า ตายใครใครยอมฆ่ารอดใครความฆ่าตายนั่นเห็นว่าความเป็นเราเป็นเขาแล้วเราก็เห็นความรุนแรงว่ายิงดะาฆ่าดป่ปาระเบิปาระเบิดด่เลยภาพต่างๆนั้นคือเกิดจากความเป็นเราเป็นเขาที่แรงวันนี้ทีสลายความรู้สึกเหล่านี้พระเจ้าก็วางมาตั้งแต่สินข้อปานาเลยนะสินข้อปานาเห็นไหมว่าให้สำรวมระวังมีเขานะฮะสินข้อปานามีเขานะ มีเรากับเขาแต่เราเคารพสิทธิในชีวิตเขาทางใครทางมันทางใครทางมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ละเมิดกันแต่มีเขาสีรารับสีนี่มีเขามีเขาก็มีเราเราไม่ล่วงเกินชีวิตเขาไม่ประทุษร้ายชีวิตเขาไม่ประทุษร้ายทรัพย์สินเขาไม่ประทุษร้ายคู่ครองเขาไม่โกหกเขามีเขาแล้วเขาก็ไม่ประทุษร้ายเราเป็นการสร้างกิริยาปฏิกริยาต่อกันเคารพมาหยุดอยู่ที่สิทธิ สิทธิในชีวิตทรัพย์สินคู่ครองสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารต้องกันด้วยกันพอมาถึงพรหมวิหารเนี่ยพยายามสลายเขาเพราะจริงเขาไม่มีแล้วจริงๆเราก็ไม่มีนะเราก็ไม่มีเอาก็จริงเอาแหละเอาขนาดว่ามีเราก็พวกเราไปก่อนแล้วทำยังไงจริงจะคิดให้เป็นเราเป็นพวกเราได้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทำใมีวิธีสลายสลายวันนะ่ะ มันกลายเป็นแค่แอ่อวันณาหนึ่งแต่หมายความมาจาก4ี่จากห้าในกลายเป็นหนึ่งเรียกว่าส ม, มณวันนะเป็นพวกวันนะในความเป็นส ม, มณวันนาเนี่ยมันมีทุกวันนาเดิมมีกษัตริย์มีพระมมีแพทมีสูตรมีจันทาน์มีเต็มแต่มันก็เหลือแค่แค่หนึ่งเดิมก็กลายเป็นพวกเดียวกันเห็นไหมนั่นก็คือโครงสร้างในการบริหารศราสนาพระเจ้าก็กไปเกิดไปเกิดสลายเลยไม่รู้ว่าพระอุท tha พร ะ, าพระบาลี เป็นลูกน้องเป็นเป็นเป็นช่างตัดผมของพวกกษัตริย์สากยะเป็นเด็กรับใช้ยื่กระเป๋าพระพุทธเจ้าจับให้บวชก่อนให้พวกกษัตริย์กราบให้ให้าตมานั่งเป็นพระแล้วให้ให้นายมากราบลดลดทิฏฐิมานะเพราะอะไรเพราะทํางั้นมันเกิดไม่มันไม่ใช่เราธรรมดาแต่ว่าเราสูงกว่าเขา เกิดมานะเกิดอติมานะเห็นนะฮะเป็นอุปกิเลสเกิดมานะเกิดอติมานะเปิดเป็นเราไอ้นี้ต่ำกว่าเราไอ้นี้สูงกว่าเราเราเนื้อเขาโอ้ยมันไปกันใหญ่เลยตรงนี้หรืเจ้าก็เริ่มสลายกัดกร่อนโยกพลอนเรื่อยๆแล้วก็มีวิธีวัดปฏิบัติที่จะสลายความเป็นเราเป็นเขาคือวันนะวันณะที่อินเดียเนี่ยนะฮะพวกพรามพวกกษัตริย์เข้าห้องน้ํามันไม่ชำระนะมันไม่ล้างห้องน้ํานะ ล้างเฉพาะของมันนั้นเองแล้วมันทิ้งให้พวกสูตรล้างมันขนาดหนักในขนาดนั้นนะครวินยัยได้บังคับเลยพิสูจนข้าห้องน้ําไม่ชําระให้สะอาดไม่ได้ปรับประวัติองค์หนึ่งอาจจะติดนิสัยพราหมณ์ติดนิสัยกษัตริย์มันก่อนไม่ล้างองค์หนึ่งเข้าไปถึงต้องล้างถ้าไม่ล้างปรับประวัติอีกองค์ที่สามเข้าไปเห็นเพื่อนอยังไม่ล้างถอยกลับถอยกลับปรับประวัติอีกต้องล้าง ต้องมีคนรับผิดชอบไม่ได้เป็นกำหนดเป็นเรื่องต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่ใครถ่ายคนนั้นล้างถ้าเพื่อนถ่ายไม่ล้างคนอีกคนต้องล้างเพื่อจะดูแ ล, แลรักษาการนั้นวิธีสลายทั้งหมดพระเจ้าสลายอุบายวิธีทั้งหมดเป็นยังเป็นอุบายวิธีสลายความเป็นเขาความเป็นเราเป็นเขาแล้วให้เหลือเฉพาะเรากับพวกเราเห็นไหฮเรากับพวกเรา ทำไงล่ะไอคนบวชมันมีไม่มากอ่ะคนบวชนไม่มีไม่มากก็สลายไปเป็นพุทธบริษัทเหนะ็นไหมฮะขยายวงกว้างไปว่าชาวพุทธเนี่ยอุบาสกบาศิกาภิกษุภิกษุณีสัมเาเรนสัมส ม, ส ม, ส ม, าามาเรีอุบาสกบาศิกากระจายออกไปเป็นทั้เจ็ดพวกภิกษุภิกษุณีสัมเาเรสัมเารีนางสิกขามนาอุบาสกบาศิกาเป็นเจ็ดพวกกลุ่มพวกเราเราไหนเราบริษัทเดียวกันนะพุทธบริษัทเดียวกันแล้วก็ ขยายไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเพิ่มเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจริตายด้วยกันเพื่อนร่วมโลกเสร็จแล้วก็เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจริตายด้วยกันหมดเลยไม่มีพราไม่มีฮินดูไม่มีอะไรลๆๆก็สลายเมตตามันก็แผ่ไปเรื่อยๆ กระจายความรู้สึกที่ดีออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเมตตาเจโตวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของความเป็นเราเป็นเขาความโกรธความอาฆาตพยาบาทด้เมตตาอจารย์้บอกไว้ธรรมะนั้นเป็นรังสีเป็นธรรมารังสีเป็นรัศมีเวลามันสว่างมันสว่างรอบสว่างรอบทิศธรรมะทุกข้อี่ยิงกัะจัด ก, กิเลสทุกข้อ ก็ตั้งหลายลองสังเกตอะไม่งั้นไปประกันไม่ได้หรอกคีริสองีริโอตตปะสองข้อคุ้มครองโลกไม่ได้ถ้าขจัดกิเลสไม่ได้แต่ทาไมพระเจ้าไปรับรองทั้งสองข้อสองข้อคุ้มครองโลกเมตตาคุ้มครองโลกได้เพราะว่าเมตตาเนี่ยอย่าลืมเรามีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ไว้มีสัตว์เป็นอารมณ์ถ้าเราเมตตาต่อ น, นายก่อเราฆ่านายกอไม่ได้อันนั้นแน่นอนเพราะเราเมตตาตัว ตัขอเแล้วเราลักทรัพย์เขาไม่ได้เพราะเราเมตตาเจ้าของทรัพย์เราล่วงเกินคู่ครองไม่ได้เพราะเราเมตตาเจ้าของคู่ครองและติดติ่งไอตัวคู่ครองเราก็เมตตาด้วยนะเพราะว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์อยู่แล้วเราโกหกเขาไม่ได้ก็กลายเป็นเมตตาที่มีตัวเองเป็นฐานทําตัวเองเป็นอุปมาเราไม่ต้องการในใครฆ่าใครเบียดเบียนทรัพย์ ส, สินเบียดเบียนคู่ครองโกหกเราเช่นใดคนอื่นก็เหมือนกันแล้วขยายความรู้สึกประยันที่เราสวด สเบสตาเวลาหุนตัวปยาปชา ห, าหุนตัวอนิคาวนตัวอะไรแต่นั้นใช้คำอย่างนั้นตลอดนั่นนะขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไป็นผู้ไม่มีเวรเห็นไหมสัตว์ทั้งหลายที่สร้างเวรทา้งกรรมกันเยอะจองเวรจองกรรมกันอุตตลุดเลยยะามีเวรคือจะจองเวรกันแต่ก็ขอร้องยากแก่ น, นะบางทีคนแผลไม่ตาก็จองเวรซะเองด้วยเลยยุ่งนิดหน่อย ศาสนาต่างหลายทั้งปวงจงได้จะอย่าได้มีเวรจะเบียดเบียนกันอย่าวทุสร้ายกันให้แต่ละชีวิตเนี่ยมีสุขบริหารตัวเองโดยปกติสุขตั้งความปรารถนาที่จะเห็นอย่างนั้นเพราะว่ามันก็เกิดว่าเมื่อเราต้องการจะเห็นเขาอย่างนั้นนะแต่เขาไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ในวิัยที่เราจะช่วยได้เราก็ช่วยโดยกาย ช่วยในวาจาผลขวัญอย่าชี้แจงแนะนำแสดงอะไรแต่อะไระไปโดยประกาศต่างๆใจเราไปเกี่ยวข้องกับคนกับสิ่งกับคนเราไม่เกี่ยวข้องเราจะเกี่ยวข้องโดยเบต็ตาสิ่งของเราจะเกี่ยวข้องด้วยความไม่โลภเห็นไมฮะเพราะว่าสิ่งของไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนเราไม่ตาคนเราก็ไม่ร่วงละเมิดสิ่งของเขา เป็นปกติธรรมดาจิตเป็นปกติธรรมดาเนี่ยแต่วันพัฒนาขึ้นไปลักษณะเหล่านี้ถ้าเรามองสังเกตว่าแม้เราไม่เคยไม่เคยเข้าวัดพังธรรมจําศีลเลยเรารักน้องเรา่ะเราไม่แย่งของน้องเห็นไหมเรารักน้องเราเราไม่แย่งของน้องเรารักน้องเราเราไม่ตีน้องเราไม่ดังแกน้องเราไม่ก็เป็นธรรมชาติเด็กเนี่ยเด็กคริสต์เด็กอิสลามเด็กอะไรก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพุทธอะ แต่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอยู่ภายในใจเพียงแต่ว่าบางทีในบ้านเองเราทําไม่ได้ทะเลาะกันมั่วไปหมดเลยบางทีตอนเป็นเด็กไม่ทะเลาะต่อแก่ทะเลาะกันแย่งสมบัติพ่อตายฆ่ากันเลยเห็นไหมก็แสดงว่าเอากระเจงไงไม่ตาภายในบ้านอย่างสร้างไม่ได้เลยบางทีผัวเมียทะเลาะกันพี่กับน้องทะเลาะกันญาติกับญาติทะเลาะกัน อันนี้เกิกัสะพายทะเลาะกันเคยก็เกิดอแต่สะพ้าก็สะพ้ายเนี่ยตกลงว่าแม้ในวงแคบๆแต่ผมก็สร้างเมตตาไม่ได้พอสร้างเมตตาไม่ได้ผมก็เกิดเป็นปัญหาความไม่สงบมันเกิดขึ้นภายในมันก็กลายเป็นรังสีไปกระทบไปกระทบต่อคนอื่นไปกระทบกระเทือนต่อคนอื่นก็เดือดร้อนกันไปแต็มที่ พระเจ้าทรงแสดงถึงว่าการเจริญเมตตาของโรงตอนเนื่องเจ็ดปีไม่ใช่ตลอดยี่สี่ชั่วโมงแต่ละวัน น, นนะครับหมายความว่าเจริญจนจิตเป็นเป็นเรียกว่าอยู่โดยเมตตาถ้าเรียกว่าเมตตาวิหารีมันมีฐานเป็นเมตตาเห็นคนปั๊บรู้สึกเมตตาไม่รู้สึกอย่างองื่นท่านลองสังเกตว่าถ้าเรามีเมตตาได้ คนอาจจะขี่เรือนกุดถังสกปรกงอ่งแง่งงอ่งแง่ ง, ง, งเราเกิดกรุณาเลยสงสารใจไม่มีเมตตาอยู่ใจ ม, มีเมตตาแบคนก็ทํางานหนักเขาเนีน่เราเกิดสงสารมาช่วยแบก เ, เกิดกรุณาหรือแม้แต่คนสวยงามหล่ออะไรแต่ออแทนที่จะเกิดเป็นราคามันไม่เกิดนะมันเกิดเมตตาเกิดแค่เมตตาเหมือนกับพี่ดูน้องเหมือนกับพ่อดูลูก มันจะเป็นอย่างนั้ น, ปนไปเลยเณะกิเลตราคะกิเลสโทสะกิเลสโลภะมันลดมันมาจากอะไรเราเห็นธรรมะคือคือปัญญาคือคือคือความไม่หลงนะคือความไม่หลงมันอยู่เบื้องหลังทําให้เรามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยจึงมีปัญญาเป็นตัวคุมปลุกสติก็ได้ปัญญาก็ได้นะสติกับปัญญาก็ทํางานเข้ากันแต่สรุปว่า ทุกเรื่องเนี่ยจะเมตตาอะไรต่อเพราะตามต้องมีปัญญาเป็นหลักมีปัญญาเป็นตัวคุมทรงสั่งเสริมไว้ในที่อื่นที่เคยเคยบอกให้ฟังว่าเมตตาเจโตวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสโดยเมตตาแม้บุคคลให้บังเกิดขึ้นชั่วลัดนิ้วมือเดียวนะและนี่มีเดียวกับการกันการดีการกันดีมือนะฮะการดีมือแปัดเดียวโบราณเขาเรียกว่าช้างปลุก รบผูงูแลบลิ้นพัดเดียวมันเป็นเครื่องสำรวจบริกวณจิตตุ ป, ปบาฏิจิตมันเกิดวูบขึ้นมามันอยู่ประทับอยู่ภายในจิตมันเป็นบารมีธรรมพอมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกคล้ายๆกับเชื้อโรคที่เรารับเนี่ยนะฮะเชื้อโรคที่เรารับมันสะสมมันรอคอย ม, มันแสดงอิทธิฤทธิ์ไม่ได้ยังไม่มีตัวเพิ่มพอไปรับเชื้อจากข้างนอกไปเลยอันนี้บวกกันเลยไปเลย บาร ม, มีมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าเชื้อโรคเน่ยเขาเรียกอาสวะตันั้นเองอย่างเรากยกตัวอย่างเช่นพระยศพรจะยศจริงวูบเดียวนะวูบเดียวของความความเห็นจากการเผาศพท่านทํางานคล้ายๆกันเนี่ยโรคกัตตัญูประเท็กตึงเนี่ยถึงครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงหลายสิบคนรวมเป็นเ็จที่มาบวชต่อๆกันนะทั้งหมดน่ะ มีเผาศพผู้หญิงคนหนึ่งตายทั้งกลุม่มท่านเผาเผาไปเชิงตะกอนเผาไปก็ไม้แทงไปแทงศพไปเอากบฐานมันก็เห็นพิจารณาเห็นไปได้เลยมันเกิดวูบขึ้นมาเห็นเป็นความปฏิกูลของร่างกายมันสะสมอยู่ภายในจิตนั้นผ่านสังสารวัตรมานา น, น, านเดกะเลยวันดีคืนดีบารมีมันเกิดเต็มขึ้นมาท่านมองสนมกำนันในภายในประสานเป็นศพได้ ทำไมเพราะมีเชื่ออยู่ภายในเพราะแม่ตาใจธรรมุสก็มีลักษณะอย่างนั้นเขามีเชื่ออยู่ภายในมันเกิดวูบมันใกล้ๆหายไปแต่ไม่หายมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยเห็นนนะสิ่งที่เราเคยเห็นเราก็เห็นคราวหนึ่งแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นนเราไม่รู้ว่าเราไมมีแต่พอเจอสิ่งนั้นเข้าไป เ, เคยเห็นรู้จักทําไมรู้จักเพราะมันอยู่ภายในใจเราที่วูบเน่ยที่วูบที่เห็นคราวนั้นน่ยมันวูบอยู่เก็บไว้ภายในใจ กุศลกุศลสัญญาความจำทั้งหลายจะมีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะงั้นเมตตาที่ทำต่อเ น, นื่องกันมาตั้งตั้งเจ็ดปีสแสดงว่าข้าพเจาเจริญเมตตาปริมิหานู่ตั้งเจ็ดปี น, นะครับก็มีผลเมียในสมมูงมากอีกยาหนึ่งทงสแสดงส่งสังวัตจักเป็นช่วงอายุของโลกของของของจ้ของของสากล จั ก, กรวาลนั่นแะสาคนนะนะจั ก, กรวาลสงสัยตะ ก, กับจะนับยังไงก็ไม่รู้นะกับมันก็นับยากอยู่แล้วแต่ว่าสรุปนานมากมันแสดงถึงว่าโลกนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพียนถ้าเราสังเกตรพระสูตรนี้บอกว่าโลกพินาศโดยไฟเห็นไหมฮะของศาสนาคริสต์โอนเทตเตเมนเนี่ยเรื่องโนอาเนี่ยพินาศด้วยน้าพระเจ้าทรงแสดงว่า โลกเนี่ยพินาศโดยไฟก็มีบางกับพินาศโดยไฟบางกับพินาศโดยน้มบางกับพินาศโดยโลมมันจะพินาศโดยสามเรื่องพินาศโดยสามเรื่องทีนี้เราจะเห็นว่าเรื่องที่นํามาเสนอกับนี้กับนี้พินาศโดยไฟหมายว่ามาเกิดไฟลุกไหมขึ้นมาแล้ว พวกสิ่งนั้นหลายมันเกิด ก, ก, ก่อตัวขึ้นมาแบบวิทยาศาสตร์ก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆเล ย, ยก็ผ่านการเวลามาแล้วก็มีสิ่งปิชีวิตแล้ว ถ, ถามว่าเวลาโลกพินาศเนี่ยสัตว์โลกมันไปเกิดที่ไหนมีคําถามของเด็กรุ่นใหม่ว่าถ้าโลกระเบิดแล้วสัตว์โลกไปไหนมันก็ไปตามกรรมของมันพระโพธิสัตว์ท่านคำกรรมดีท่านอยู่อาภัสสรบพรพเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่ด้วยไฟ นะเราเป็นพรมอยู่ในอาภัสราพรมเมืเม่อโลกกำลังจะเริญขึ้นมาเรื่อยๆ ย, ยังไม่เป็นโลกนะฮะยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เราก็อยู่วิมานพรมอันว่างถาม่าเกิดเป็นพรมเท่าไหร่สามไม่ใช่เกิดเป็นพรมพรมเท่าไหร่ก็เยอะนะแล้วก็เกิดเป็นพรมสามสิ่หกใช่เกิดเป็นพรมสามสิบหกครั้ง เวทสารดุกระมังมันเยอะจังท่านหลายข อ, ข, อของนึกออกนานมาแล้วที่เราเจอชาดกชาดกยังไงฮะพระโมคคัลลานะไปพบกับเทพบุตรตนหนึ่งแล้วมากราบทูลพระพุทธเจ้าให้ฟังพระเจ้าบอกอ้าคนนี้รู้จักกันรู้จักกันเมื่อไรโนอนสมัยพระพุทธเจ้าเป็นเนมิราชนะตอนไหนเป็นเนมิราชที่ท้าวสกัดส่งรถมาให้เที่ยวสวนนี่ แล้วไพบกับเทพบุตรตัวนี้ผู้เจ้าผ่านสังสารวัตรมาเยอะแล้วจนตศัตรููเป็นผู้ใจเทวดาตัวนี้ยังไม่ได้จุติก็ได้อยู่บนสวรรค์ผู้เจ้า อ, อ้อคนนี้รู้จักกันเคยพบกันสมัยที่เราเป็นเนมิราชเราไปเช็คดูชาดกเนเนมิราชอุบบนานจังจากนั้นก็คือเรื่องสังสารวัตรเรื่องของสังสารวัตรเราไม่ต้องไปติดใจขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือวิทยาศาสตร์เยอะไหมครกับพินาศโลกพินาศไป ของเราก็มีนะพินาศโดยน้ําก็มีพินาศโดยลมก็มีนะพินาศด้วยสามอย่างผสมกันก็มีก็ไม่แน่แต่ว่าปะกะติพวกนีจกกนกนนนน้จะกระเทือนถึงกันนะดินน้ําลมไฟเนี่ยก็เตือนถึงกันเป็การพูดถึงถึงอายุโลกไปกันใหญ่ทีนี้ต่อมาพระองค์เกิดเป็นท่าส ก, กะเกิดเป็นท่าสกะหลายครั้ง แล้วต่อจากนั้นก็เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีจักรรัตนะก็หลายครั้งมีรัตนทังเจ็ดในหลายครั้งแล้วเกิดเป็นปราชาประเทศเล็กน้อยก็หลายครั้งคือสรุปว่ามันมีพบชาติแต่มีข้อที่น่าสังเกตจังหนึ่งว่าบุญมันเสื่อมลงนะบุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญเมตตาเนี่ยมันเสื่อมลงมันมั น, ม, นมันเหมือนเหมือนอะไรมันเหมือนกับยุ่งฉางที่เราเข้าไปใส่แล้วมีแต่กินมีแต่กินไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีทำนาเพิ่ม ภพชาตินี้จะสูงขึ้นมันลดลงเรืลดลงเรื่อย que, ลดลงเรื่อย que, ลดลงเรื que, ลลเรสแสดงถึงแรงส่งของภาวนาเมตตาภาวนาในชั้นแรกนี่เขาแรงสแสดงว่าท่านเกิดเมตตาฌานนะฮะเมตตาเนี่ยมันมันไปขึ้นหนึ่งฌานเขาเรียกเมตตาฌานพวกพรหมมิหารพอปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งี่เขาเรียกว่าอัปปมัญญาชื่อทําเหมือนกันนะฮะอัปปมัญญาคือมีความรู้สึกไม่มีประมาณ ไม่ได้กําหนดว่าคนสัตว์นั้นสัตว์นั้นพวกนั้นพวกนั้นทิศนั้นทนี่นั้นไม่ได้กําหนดสากลเลยมองสัตว์สากลเป็นสเพสตาสากลพลังของธรรมะมีอยู่ภายในใจสูงแล้วก็แผ่ไปได้ไกลทําให้ภูมิจิตท่านสูงภูมิธรรมท่านสูงทําให้ภูมิจิตท่านสูงทําให้พบจิตใช่ไหมทำให้พบจิตสูงถ้านท่านลองดูง่ายๆเลยกันเราเทียบ เราเทียบภูมิรู้เราเทียบภูมิรู้เราเทียบภูมิจิตเราเทียบภูมิฐานแล้วก็เทียบถึงสถานที่ทำงานเห็นไหมคนนี้มีความรู้มากพื้นฐานทางความระพฤิดีใครๆก็อยากได้เขาประมูลกันไงก็ประมูลกันนะแม้แต่นักกีฬายัางประมูลนะ น, นะของไทยเราจะโดนประมูลเป็นสคนนะี่นี่ก็คือก็คือแสดงว่าคนนี่มันมีค่า ทำให้พบคือที่อยู่ที่ทํางานที่เกิดเขาสูงทําไมอ่ะเพราะว่าภูมิจิตภูมิรู้เขาสูงเออเราดูข้างนอกเนี่ภูมิภูมิรู้เขาสู ง, ง, ก, สงก็มองแค่ความรู้เรื่องเรื่องความสามารถต่างๆเนนักนุ่บอลนะพอร่ า, รางนี้ล่านหนุ่บอลกันซื้อกันเป็นร้อยร้อยล้านหรือนักขุดบอลกันเล่นเป็นร้อยๆยล้านกันเนีก็แสดงว่าภูมิเขาสูงทําให้พบที่อยู่ที่ทํางานเขาสูง ต้นภูมิธรรมที่มีอยู่ภายในจิตก็เหมือนกันแต่เมื่อเมื่อภูมิจิตก็สูงแล้วพบที่จะอยู่ข้างจิตมันก็สูงตามไปเหมือนคนสะอาดนะเหมือนคนสะอาดจะนั่งจะนอนก็สะอาดเสื้อผ้าก็สะอาดอาหารก็สะอาดที่อยู่ที่ใส่ก็สะอาดไปหมดเพราะภูมิจิตเขารักษะอาดภูมิจิตจึงกลายเป็นตัวกําหนดผดแต่ภูมิจิตไม่ไปก็คือไม่ไป เมื่อวานก็ไปไปวิจารณ์ให้พระบอกว่าท่านหยุดสร้างพวกวัตถุเลยหยุดหยดหยุดหดสร้างวัตถุรีบสร้างคนสร้างคนเนี่สร้างยากมากเหมือนกับปลูกต้นไม้นะเราจะเห็นว่าต้นไม้เวล น, นี้ยังโอนย้ายไมาได้แล้คนมันโอนย้ายไม่ได้มันต้องเอามาพัฒนากันทํางานกันสาสิบปีไม่ได้สักคนหนึ่งเอาแต่คนได้เรื่องไม่ได้สักคนมีแต่คนหาเรื่องคนได้เรื่องหาไม่ได้เลย นี่คือเรื่องอเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องสร้างไอ้สร้างอาคารมันปับป๊บปับป๊บปก็ทําได้แต่แล้วสร้างอาคารไม่มีคนอยู่ไม่มีคนใช้วัดบางวัดมีพระสี่รูปบอกว่าอย่าลืมนะวันหลังเนี่ยเด็กมันจะทวงถามนะว่าพระนี่อยู่กันสี่รูปวัดอนเนื้อที่ใหญ่ตัวชาวบ้านอยู่ที่แคบเพืนเดียวคนอยู่เป็นร้อยๆแต่เรงว่าพระเอาลัดเ อ, อาเปรียบสังคมไปเดี๋ยวจะตายอ่ะนะ ศาสนาจะดูไม่ได้ต้องคิดได้ใ ห, หม่นะคิดสร้างคนเถอะคิดสร้างคนวิจาฒ น, น, นาคนขึ้นมาเพื่อจะให้คนเหล่า <bir> นี้เขาเป็นาศาสนิกเป็นาศาสนาทายาที่จะดูแลาศาสนาหมายความว่าสร้างภูมิจิตสร้างภูมิรู้สร้างภูมิจิตสร้างภูมิทําให้แก่เขาแล้วต่อไปนี้พบก็จะดี ที่อยู่ที่อาศัยความประพฤติวิธีชีวิตก็จะดีแล้วเขาจะช่วยเหลือสังคมได้เขาเกิดมาคนเดียวในสังคมในรับประโยชน์เยอะจากคนคนเดียวแต่นั่นเองนะเขาจะช่วยสังคมได้เยอะที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าสัตว์บูรุษพอเกิดขึ้นในโลกมันจะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนมาคนทั้งหลายจะได้ประโยชน์จากคนเพนั้นแกตายไปแล้วเขาก็ยังได้ประโยชน์นั่นก็คือเรื่องของคนมีบุญ เราจะเห็นว่าบุญนี่พอสูงกันไปมันก็ทำอะไรของท่านได้เดยแต่ถ้าไม่เพิ่มเราก็เห็นอย่างหนึ่งว่าบุญมันลดเห็นไหมบุญมันลดเราจึงพบเรื่องราวต่างๆว่าทศาะกเทวราชก็ยังอุตส่าห์มาปลอมตัวมาตักบาตรกับพระพุทธเจ้าบางทีไปแย่งคือคือที่เคยเล่าใฟังนะว่า พระอาหารหันต์ที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยถ้าใครได้ถวายท่านคนแรกแล้วของที่ได้มาบริสุทธิ์เจตนาเราบริสุทธิ์แล้วท่านออกจากนิโรธสมาบัติโอ้เดีบุญมากเลยพระพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติท้าศกะกะนางสุชาดาพร้อมตัวเป็นคนแก่มาดักตักว่าตรพุทธเจ้าเห็นออกไหมเอา้าหมาบูพิษมาแย่งบุญชาวบ้านอยู่เป็นสวรรค์ดีๆมาแย่งบุญชาวบ้าน ไม่ยอมรับบาทให้พล้ชาวบ้านก็จะตักบาทเขาว่ามันแย่งเขาตัวเองอยู่เป็นสวรรค์แล้วให้คนอื่นก็มีโอากาสทําบุญใช่ไหมปลอมมานะพระพุทธเจ้ารู้จักแล้วเลยเลยท้าวสก่าก็ ข, ขอร้องว่าถ้าถ้าไม่ให้ตักบาทก็เอาแต่ว่าที่หลังเนี่ยเวลาทําบุญอะไรช่วยช่วกวดน้ำํำอุฒิกุศลมให้บ้างเราจึงมีการกรวดน้ําให้เทวดาเป็นเทวดาพลี นะเทวตาภริเรื่องจากพร่าสกะท่านขอพรจากพระพุทธเจ้าท่านปรอบตัวมาตักบาตพุทธเจ้าไม่ให้ตักไม่รับให้นะฮะไม่รับให้เพราะอะไรเพราะท่านต้องการจะเพิ่มบุญถ้าไม่ถ้าไม่เพิ่มบุญมันก็ลดนะบุญก็ลดเหมือนกับทราบเหมือนก็ความรู้เมื่อะไรทั้งหมดเห็นนะมันไม่ใช่มีแล้วมันมันมันมันจะมีอยู่อย่างนั้นเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันเสื่อมบุญมันก็เป็นสังขารของมันบุญสังขารตะวันที่เรา เราเสวยไปแล้วถ้าเราไม่สร้างเพิ่มเติมบุญมันก็หมดไปเรื่อยๆอย่างที่เคยเล่าเรื่องเรื่องนายโกตุหลิกเรื่องนางสาวมลดีนานแล้วนะฮะหลายปีแล้วมันเกิดจากสุนัขในเป็นเทพระบุตรปฏิบัติตดตามเระปเจกระพุทธเจ้า พ, ร ะ, า พ, ร, ะาพระเจ้าไปทางภูเขาคารามาสก่อขอนส่งจนหัวใจสลาย ในศรัทธาในพระประยกรรพุทธยาตายไปเกิดเป็นเทพประบุตรเป็นโคสกะเทพประบุตรอยู่ไม่เท่าไหร่ฮะจุติ เ, เทวดาวมันจุติเรยกจังท่านบอกว่าเหมือนกับเราฉังเอาเอาข้าวหนึ่งถังนี่ไปใส่ในฉางหลวงมันไม่เห็นอะไรฉางมันใหญ่แล้วเกิดพื้นที่มันก็ข้าวไปอยู่ถังเดียวนั่นเองันะ้นบุญบุญจึงต้องสะสม ต้องสะสมต้องเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆบุญจึงจะเป็นที่พึ่งได้เห็นมาอย่างที่เล่าไว้เมื่อกี้ ท, ที่เราเขียนว่าอยู่ดีด้วยบุญได้ไม่ใชม่มาดีด้วยบุญอยู่ดีด้วยคุณแล้วก็ไปดีด้วยทุนเนี่ยมาดีด้วยบุญนั้นคือบุญในอดีตกาลในชาติก่อนชาติก่อนๆนะฮะที่นัตตาเนกถามเอาไว้ก็ไม่รู้บุญชาติไหนแล้วก็ถึงมาเกิดเตี่ย แต่ว่าคุณนั้นคือบุญที่เราต้องทําในปัจจุบันปัจจุบันคือเสริมจากบุญที่มีมาแล้วคล้ายๆกับเรารับมรดกมาอย่างหนึ่งบุญเก่ามันก็เหมือนกับมรดกแต่เราไม่สร้างต่อบุญก็เสื่อมจ่ายไปเรื่อยๆนะมันก็เสื่อมอย่างที่พระเจ้าเล่าในเราเห็นในะชาติว่าเกิดจกพรหมเกิดพรหมเลยแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเป็นท้าเป็นพระอินท์ลดลงมาโลอยู่โลกมนุษย์แหละ มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเอาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพรรคเป็นพระราชาเป็นราชาเป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศเล็กเป็นอนุราชาเป็นประเทศเล็กๆบุญบุบบุบมาเลยแต่ทำทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์ที่ท่านไม่ต้องการอยู่ในพรหมโลกพระรมพรหมโลกเป็นที่เสวยบุญไม่ใช่ที่บําเพ็ญบารมี ที่มเป็นบารมีต้องมาอยู่เป็นมนุษย์มันมีโอกาสบำเป็นบารมีบารมีได้มากเพราะงั้นถ้าเราดูชาดกท่านจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหาโอกาสเกิดเป็นพรมน้อยที่สุดโดยเฉพาะอารูพรหมไม่เคยเกิดไม่ยอมเป็นอรูพรหมก็ไม่ยอมเป็นอสัญญีสัตตาไม่ยอมเป็นพรหมลุกภักนะฮะกับอรูปพรมปุ่มนานมหาสารมากๆผ่านกับกันพุทธันดรไปหายริบเลยยังไม่ได้จุติได้ ท่านจะท่านจะอยู่ในในภพชาติที่สร้างบารมีได้เพราะจุดมุ่งหมายแตกต่างกันแต่ถ้าคนที่ต้องการเป็นสุขมันก็มุ่งไปตรงนี้เมตตาจติตตสมุทินทิพย์หรือว่าปรระดับสมรรคกรรมฐานทั้งหลายบุญจึงกลายเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งพํำนักแต่อย่าลืมที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่า เราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเจตนาทั้งตัวการกระทําและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํามีปัญญาตรวจสอบในสิ่งที่เราทําถ้าเป็นบุญก็คือเป็นบุญทีนี้ปัญหาบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องทานเนี่ยต้องใช้ปัญญามากอย่าสะภาพเศรษฐกิจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น คนเรามันก็มีปัญหาอย่างนี้ตลอดแหละปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องตั้งแต่มีคนมาแล้วไม่ต้องไปพูดหรอกรัฐบาลไหนอะ่ะไม่ต้องไปด่ารัฐบาลเรามีปัญหาอย่างนี้ตลอดเลยมนุษย์มันโลกของแพงตลอดนะของเมื่อจ่ายไอ้ไอ้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวครึ่งสตางคมันก็แพงนะสมัยนั้นก๋วยเตียวครึ่งสตางก็แพงที่ดินวัฒนทองเนี่ยบรบบรพบอลมันคนซื้อนะสร้างวัฒนทองมันต่อรองกันอยู่ท่านจะเห็นว่าที่ดินมันเบี้ยอยู่นิดนึง ทิทางไปแต่เนี้ยมันเขาขายตารางวาละบาทเจดห้าตังค์วัดมันเกี่ยงมันแพงไปตั้งยี่าตังค์พราที่อื่นมันตารางวาละบาทห้าสิบเยไม่ได้ซื้อเห็นไหมห้าสิบหาตังค์ก็แพงในะสมัยนั้นนะดังนั้นความรู้สึกตรงนี้มันก็อยู่ที่การมองในแง่ของความจริงคือใช้ปัญญาในการพริจารณาจริงตรงนั้นแล้วก็ดูด้วยใจของเรา และการกระทำเหล่านั้นเป็นบุญไม่ต้องไปสนใจนะะไม่ต้องไปสนใจว่าเช่นว่าตักบาตรนี่พระจะฉันไม่ฉันอรลอยหรือไม่เราไม่ต้องไปสนใจหรอกเราเสร็จแค่ถวายแล้วตักลงในบาตรจบแล้วท่านจะฉันหรือไม่ฉันฉันมากฉันน้อยหรือเอาไปให้เด็กกินหรือเอาไปให้ขอทานอะไรเป็เรื่องของท่านเราเสร็จแล้ว ห, หน้าที่ของเรานะอย่าไปเอื้อมไกลขนาดนั้นถ้าไปเอื้อมไกลขนาดนั้นแล้วเราจะเกิดอะไรแทนที่จะเกิด ปีติปราโมทย์มันเกิดเครือบแแปลงสงสัยมันเป็นมนติชินใจคือข้อวิจิกริษยามันเกิดมนติชินใจเอฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้พอใจหรือไม่พอใจก็เป็นไรไม่ ไ, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปยุ่งไม่ว่าอะไรกันต่ถ้าให้เกิดการอย่างหนึ่งคือรับผิดชอบแต่ที่มีปัญหาเวลาเนี้ยเราจะพบว่าไม่ไม่ใช่เวลานี้ที่จริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมามากำลังบรรยาย ออกรอดอนะฮะรอดอตอนนี้ก็บังกอังพูดเร่งบทบาทของประสงค์การพัฒนาสังคมคือเรามองเห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมแบบนักสอนแล้วเกณฑ์ให้คนอื่นทํางานสั่งจังเลยชอบสั่งจังเลยเด็กๆจังสั่งนะเมื่อวานเด็กธรรมศาสตร์สั่งท่านนายกออืตัวเองแทนที่จะเรียนหนังสือนะสั่งท่านนายกนะเด็กอยุสิบเจ็บปดมันใหญ่โตด้วยกันสั่งกันจริงนะ สังรัฐบาลต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นพระต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้สมาคมพุทธสมาคมประชุมกันทีเนี่ยไม่มีอะไรแล้วคุณไปอัดเทปลองดูก็ได้ใครก็ได้พูดนะแล้วกี่ปีมาแล้วอย่างนั้นตลอดมาถึงพระต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้อย่างนั้นต้องแก้ปัญหาอย่างนั้อย่างนี้ถามาตัวเองทำอะไรไหมพอถึงปีก็มาประชุมดาบพระอีกอย่างเนี้ยอย่างอย่างเขาาบวชอะไรเนี่ยบวชโดยเสด็จพระราชกุศลให้พระวัดนั้นเท่านั้นจังหวัดนั้นเท่านั้นอำเภอนั้นเท่านั้นเท่านั้น ถามกระทรวงศึกษาทำอะไรไม่ทาอะไรไม่ได้บวชสักคนถามว่าทำไมไม่บวชไม่มีเงินพระไม่มีเงินยิ่งกว่ากระทรวงศึกษาธิการได้อีกเนี่ยชอบสั่งเป็นระบบที่สั่งเก่งสั่งจริงๆทํำยังไงวะให้สั่งตัวเองใช่ไหมให้เตือนตัวเองใช่ไหมแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาดูที่ตัวเองสั่งตัวเองไม่ใช่สั่งคนอื่นแต่ละคนรับผิดชอบในกรรมของตัวเอง ทั้งทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปเรารับผิดชอบทั้งตัวเจตนาทั้งตัวการกระทําและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําเป็นผลตามปัจจตางยางที่ว่านะฮะตามธรรมคุณเพราะงะั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ที่พระเจ้าเล่าเองพระองค์ก็สัมผัสเองอะนะเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นการลดการเพิ่มของบุญทั้งท่านก็สัมผัสทั้งท่านเองแต่เราก็เดินไปตามเส้นทางของท่านเป็นการหลั่งไหลของบุญเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราสร้างเหตุระดับเดียวกับพร วันนี้ก็ขออยู่ติดไว้ในเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปปูนในธรรมจงมีแต่ท่านสาชนทั้งหลายโดยทั่วการทุกท่านทีอ